ฟังจำมาทำความเพียรพอเป็นที่ที่มาใช okay. ้กิเลสอันโหเห็ุพอเป็นที่ที่เห็นชีเกิดตายเกิดตายยิ่งทุกข์ยากลำบากขนาดใดแต่ยังเพียนมาอยู่จะคิดบอาถ้าไม่ยังใหตุสร้างเลยก็จะบอกโยก็บอกยิ่งจะไปผีมาแล้ว เอาทำเอาเกิดแค่แวเเขาปัญสาก็เอานำที e ่ไปไล่ทะเลมื Daniel ่อเราบุญรถไม่ขาดให้จำไปนำทาตามปฏิบัติเห็นเส้นึได้ชิ้นได้ใจนี่เลยทีเกินสางธรรมะสางเพียรที่เอวบ้างาถูกเหรอจะมันได้ยัง ทั mình ư, rồi. C, ăm, ้งนั่งหังเหมือนกันจนพี่พูเสร็จด้วยอันไหนสอนอันไหนเลยเบอกเคยสอนมาแล้วจะไปทาไปแตใช่ไหมคือต้องผู้คนสอนนักงเล่นสอนเขียนเอาอ่านออกเขาไม่สอนนีกนี่จ่าอยัดอ่านกับอ่านยัดเขียนกับเขียนเอาเลยตัวใดเราต้องไปชักแล้ววิธีสุเขียนก็ดีวิธสุอ่านก็ดีนี่จะทํานั่งเดียวกัน ก็ตัวแบบที่บ้านคุณบาอาจารย์ตั็นแบบเนสอนให้ที่ต้อไหนท่านต้องได้เรื่งกมศลถ้าการกลมหนาเดินผุดผุดไปเพื่อหายใจมันอยู่กับบทบทที่สามโตัวมันมันคิดมันมันสูงมันแจ้งเนาะเอกามันคิดมันมันสูงมันแจ้งมันเดินเน้ เันกือแขนแขนโดเดโดเดคือน่คิดเด้เมื่อคันล้างกอดอกกทีเดินโยกมืยบบของครูบาอาจารย์เป็นแนวพนสอน่เดินตเดินที่ต้งร่วมระวางรักษาจิตของตัวเวลาเดินไปกำหนดจิตกำหนดใจในอดในถ้ำบิกรรมกะไดจิตกหนดเจา้กรได ไหนมันเจิเสรลตั้งเวไหมันหายจากความเผิดความเพื่อนคาหนุ่มควเกี้ยวกับหลบกับจงสารถ้าขีดกำนดเอาคนตายมาว่างไว้เต็มทางยงผมห่อก็ได้เหยียบก็ก้าวได้เหยียบตั้แคตัขีดู้เหยียบี่ก็ไรเป็นผีผู้นอนตายอย่าไนผีที่ยหน้าตาย หยิบเงินก็ซ <Sew> ืกันครับเนี่ยก็กายต้องเท่าเท่าาดินเท่าเยร์ไปกระขาดบินดีไหี๋นะหายทางแก่จิตแก่ใจที่มันหลุ่มลุ้งลายมันปล่อยมันว่างมันละมันถอนเพราะยางหน่อถุงเอาใส่ถูกใจพรางฉะนี้กลางวันก็ูกใจาตั้งอทางนั้นไว้ล้วต้องไป หน่อยใส่ง้มันเป็นวนไรมันเฉยมนงามอยู่วันไดมันหนาเพื่อนหนาเพิ่มนอยู่วันไดมี่ชัดอยู่วันไดนี่บุกพ้นอยู่วันไใหมันโตออกากเข้าไปแหละมันโดนนี่เด้คนหวงคนห่วงคนหยุดข้อมีขอมเจ็บขมปวดมันอยู่ตามธรรมชาติทั้งวันเป็นขาดหรอแเาไปยุดไปเกี่ยวไปไปหลงไปเล่าจัดเป็นบุกพ้นเป็นตัวเป็นคนเป็นเล่าเป็นเขา ห้มาเรนื้เอถึกใจน่ะดำนาแดขึ้นเจ็บใหเขาปวดให้เขาเป็นทุกุกเมื่อในัวกองเน้าขันเขาาันได้นียเงีให้ดังซึมดังโึมขึ้นสึมซึมเนา่นาะหัวใคทำน้องน่ะอุบายพี่ขี้ยินพี่จ้าน่าสั้นลากิจเป็นแล้ววันอุโบสถคือวันสอาใจสงบ บ้าเขาไปล้างนาจิตใจใส่คนจัดจิตใจทางหนือเห็นไ่มสงบจิตใจใน่ายใน้าคนหุ่นเป็นผีส่วนใหญ่ตัวอยข่างขั้นขั้นคือว่าชอบลักล้างจิตขั้นหนึ่งว่าแต่เพื่อนว่าลักลางจิตหอยข่างขั้นขั้นคือว่าชอบภาวนาหนึที่อยงมีสงหลายการภาวนากำารใจของตัวตัวจ หนูโถงหนูแบบหิบหยิตมาสงกับใดแค่นั้นนั่นก็ว่านี่อันนี้โถงนายอันมี้โถงโถงกุศลการฝื้อโอ้นจิตใจนั่เป็นของนายของโถของดีของดียังนั้นเขาใช้เจ้าสี่เหลี่ยมเล็กต้องดวิเศษซอนโลกเพราะการภาวนาอ่าพออุ้มาภาวนาพออุ้ก็บอลาชิ้เลสได้สาววกวัวไปกับทําน้องเดียวกันที่เป็นอรหัตอาาหันเป็นสาสนาของเฮา ส่วนจะเพิ่มภาวนาข้างหน้าภาวนาว่าจะเอาอันไหนภาวนาดอกเอากายเอาใจนะเอาสติคือึความระลึกอยู่ในสิ่งใดสิ่งที่กาหนดล้มหายใจกับลมนอดยื่หันอย่างนั้นจุตมันคิดไปบนอื่นคิดมันอยู่ในลมเป็นจิตตรงห้ามันล่วงมันล่องเ็นสมาธิแต่ล่องหน่อยซึพื่อว่าคัศนตะรวมตัวขณะตัวระยะเวลามันล่อง ไปแล้วมันสอนกินหน้ารูอันนั้นยันอันนี้โบออกมาธรรมดาเกิดมีต่างๆนั่นน่ะคือว่าอุปจาระกิจออกกิจเที่ยวแต่โบเที่ยวแบบธรรมดาคือกิจเท้าสีอยู่ธรรมดาไปเลยมีสมาธิสมบัตรมันจะเที่ยวไปคิดไปฟุ้งไปหรือไล่สตินี่เที่ยวนี่สติเป็นผู้ประทับประครอบมีผู้รักษานดี๋ยวมัน นนีขันเที่ยวตั้เรียกว่าอุปจาระคิดบ่ถอนออกมาถ้ามาดาคิดบ่กอบงบขึขันต้นีงของมั่นตรงบจิงขดจากปัญญาอารมณ์ได้ได้ไปสูดไปเห็นสงไรกันต้งหูฟ้องใจดูสะเคาะเป็นเอกราษฎของมั่นเรียกว่าอัปปนานี่เรือของสมาธิ ซื้อของมันซื้อัแต่ซื้อขงมันมันไ่ค่อยเาเหยียดเขาข้ามเขาเป็ี่นไหมเข้าหรอกซื้อมา่วายจะไหนว่สนใจดมันหูจัจิตเจ้ามือจิตสุนแชงมันซื้อใบย่างไดเขาก็ุ่มจักเพราะมันสงบลงไปร่วมลงไปเข้ากลมูจัาจิตเขาร่วมจิตของเขา่อมจิตของเขายึดจากความีความคิดหรือนี้เศร ความเบาวามสบายความใจ่างเป็นต <cùng> ่างต่างนะหน้ามันเห็นไจากในตัวขมันแหละมันลบมใสร่วมไปได้พอเราใจร่วมจะเป็นสมาชิกจะเป็นสมาชิกใจรัดแน่นเือนใะอัดในถ้ำบรอยากได้ยางไหลยิงบริจาคได้ความจุความสบายควใจ ควกความสบายสงใจน่แต่กวนเท่าเราค่ยฝุกปฏิบัต uh> ิเทากว่าม e ันฝุกมันสบายมันไล่ได้ยิ่งถือเต้องการหมดเต็นฟเงินูหน่อยฟูบ่าวฟูสาวส็กคนโค้แก้งเนเท่าสบายฝึกก็ยิ่หนา่งตาแก้มความฝุกนั่นฝึกยิ่งอานิี้ฝึแก้มแล้ว เป็นความแบนไม่เงื่อนเหล่าันได้เราได้พร้อมในเงื่อนในท่องหาใช้ทาการทางานได้สงบลดความคิดค่ามโต้กัดีใจจุกใจเพราะว่าได้เห็นได้ทำได้ได้ความสุขเข้าสอบเข้าปารตานะกมาสู่แต้มมือของเข้ารื้อแจ้งข้อเป็นเส้นความสุขของโลกความสุขของกัญหาความสุขของ โลกเยาทุกอยากแล้วอยากได้อันไม่มันมันมีเรื่องข้อมันบันคือความคึกข่างใจความคึกของธรรมความคึกของใจมันคึกข้อเพรมันละมันถอนมันปล่อยมันบ้างแล้วมันเบามันสบายมันสงบมันเย็นมันสุขมีเกเสร็จความคึก ของโลกของจิตเดชตันหาเปนจังเหร่องภาวนาในเชื้อชาบังมันเห็นมันเป็นในตัวท่านมันเห็นแล้วมันจะเป็นอยาท่ำต้องเกิดมันเกิดขึ้นแต่กวนเขาหนูยังสั่นเขาเห็นยังสั่นมันเย็นมันสงบเป็นสิทธิมันจะคิดได้ถึงมันโมเป็นไหในปัจจุบันได้มันจะคิดได้แต่ความตุกข้องใจมันตุกยางนั่นเป็นตุกเล ดีที่นี่พ้มคานีราระยินก็คมสุในกามาคุ้นันคืประทัดจิตประทัดใจอยากไม่อยากท่านต่อไปเหนันบเห็นโมเปลีนในคิดในใจนี่มีรสชาติอันใดแล้วนี่ต้อเจเส้นเสือย่างง่วงให้เขาหยิบนงง่วงให้เขาจะเอาบัวใส่กินง่วงง่วงจะเคี้ยวกันแฉบนั่นง่วงอังไดเอาบัวูิจักเข้าน้องนั่นเป็นยาคนสีเลี no, ่นตำรับตำล่าเขาวัดชาวนา แต่บริเวณบริเวณไม่กินไม่ใจคือเพราะปัญญการกับต้นเหยงง้วเห็ดห้งนง้วนผู้อื่นกินน่ะเราเรก็เลยลืมรถมันหวานมันมันมันกิดมันง้วนยางไหลี่เ้านื่องเดียวกันยกเติมปรุงอาหารซอสค้าวแตงอาหารให้คนอื่นกินน่ะครอื่นเขากินเขาหาจับรถฉาบมันหวานมันมันมันแตกมันง้วนมันเกิดมันจางมันเติมด้วยเครื่องยาไหนเขาหูจัก จะเข้าภูเวทบร้กิตตุนจักรรจักรฉาดที่มั่นจะดเสมอใหมหยเวดเองท้าเองกินเองมันจะถึงจักทำาเามัพุทธเจ้ายันวาของเนื้อโลกของดีกว่าโลกของวิเศษกว่าโลกมันจะย่างไหลตายสุกใจช่องเตัวให้เขาถึงแล้วนักจิตจักระือใคเจ้าเพ่ียังจังเือจังนา เกิดองสารเงนจังคนยังไหยนมากเลี้ยงไหวตายเกิดอีกทางกางขี่คนจะเป็นมนุษย์ขึ้นลันกับข้าวเอาของเงินช่องเดชธาบรรดาศักดิ์เกิดนเป็นสั์บนอยู่ันอาศัยแตเงินตัวอาหารการสอยนนี้จะคล้องปัญญบัญชงของอรสอร่อยสีปัสทับทีนั่งเงจะเป็นบอลลัง รถตบก็แจ้งให้เรื่องนา่งขี่นอน่าถึงจะน้อนก็ขี่ดีขี่บรรทมกั้งคนเพา่อนแ่เบล่งไหลเบลีบิดของฝนไปอยู่ในตาในโด่งนอนน้ำหอมใหม่ใต้เขาชาวนาฮะมาหาฝนฝนแล้วกันละเสริมละความุกอีกเป็มสุจบขีดขีดจีบเส็มคำจุขี่ ดีดีเวดเด็ดท <anh> ุกวีเกรคดีเด็ดเป็ุกคิดดีเวกคิดบางังว่นั้งหน้าอาโรบันไดอยู่เฉพาะเรี่องของมันมันใสมันใสมันเย็นมันสงอยู่สิสายสุขหลายสบายหลายบาหุ่นไหวคือสุขของโลกสุขของโลกสุขเดือความหลุมความย้อ ได้อันนี้มากกับหวงแห็นเอาไว้ถ้ามันเชียไปกับเชี่ยใช้น้ำมันจุกของมืมีเงาพ่อจุกใบอิ่มใบเต็มจุกหิวจุกของอัดของขํามันหายจากซ่อมหิวหายจากซ่อมอยากหลังากสั่งเลื่อยมาไม่สุกท้งมีดังมีถุงเด่นจุกมากจุกยิ่งเสร็จุกของโลกเเห็นบเต็ม ก็เลยว่าผมตองลดชาติของความทุกคนน่ะว่ากันเพาะวนาน่ะปฏบัติึกคุตตากำดีทำใจเห็นมันถึงหายจากควมบุญเพิ่มเติมอือเรื่องเข้ามาหาบุญคือหาความสุขหาใจพอเป็นทุขแล้ก็เห็นบุญให้ไปวัดนั่นว่าที่ได้บุญก็้วเห็นบุญไปวัดนี้วัดที่ได้บุญแล้วเห็นบุญก็เข้าวอกินบุญบ่ เพื่อเหตุเพื่อนบุญนี่แต่ก็หุ่นจะวหาจะคิดจะปุ๋งอยู่ในบ้านคิดน้ำสุกน้าล้างน้ำน้าต้านน้ำเข่าน้ำคลองน้ำเงินน้ำท่อมทําการน้ำงานมาอยู่วัดบ่าเดี๋ยไปเห็นไปถํำไปก็ไปสั่งแต่ยงคิดน้าอันนั้นคิดน้าอันนี้ยู่ปุ่นมันบอยู่ในถ้ำไ่อยู่ในขอบในเขตบปอยู่ในวัด มันออกนอกวัดไปใจมันออกนอกวัดมันเล็ดวัดชัดมันจะเล็ดวัดจะงดจะงัดบรสุทธิ์สบายให้บวิเวกให้เปนให้ทานใจให้วิเวกันแต่ท่านมังเพี้นไปบุญสืบสนข้อการแตท่านมัเพี้ยนถี่เฮาเห็นน่องหูน่องหูเองเรความสุขมันสูงยางไหลมันสบายอยางไหมันจะเกิดวิเศษยางไหลมนูดย บอกไหว่าอันนี้แหละเป็นศิลป์อันนี้แหละเป็นสมาธิอันนี้แเป็นปัญญาอันนี้แหลเป็นวิชาวิมุตต์เมื่อคุได้มาบอกไห้ดอกเขาเห็นเขาเห่าเหงเพราะเขาเห็นเขาท่ำกันเขาเห็นแล้วเขาได้แล้วเขาขอยใจแล้วจะเก่าแต่ก่อนเขาเคยหลุ่มเคยหลงเคยกอดเคยเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์ต่างๆนา่นา่ะจิตขวงเขาวอยู่กับวงของอัดของท่ำเขากระหึจักเดือขึ้น แต่ดอยู่ไลมันใจยังก็บม่ไปมันเป็นยังไงเขามันอยู่ก่อนแก้วเลยขี่ปลอดภัยอยู่ในขี่ทุกี่สบายมันบออยากไปวุ่นว่าก้อเกี่ยวอีกมันจะหูจับนี่เรื่อการภาวนาการศึกษาการท่านจิตท่านใจท่องตัวผู้สีเทาใสท่านได้หัวระยะสั้นๆนั่นแปลว่าเป็นจุดเป็นอนยิงสงเป็นแปลว่าเพื่อสั่น ครับหัวตัวหูวแหลมดิแต่นี่อันนี้สงไงหลวงเพราะการรักษาศียงว่าการเดินทานี่ยไงตองเปลีมยนตั้งตนับตัวนู้ น, น, น, นันมาแหละผู้ศรีภาวานาได้แต่พออาศัยท่าขันเขาบอกนี่ท่าเขาวอกให้พระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในวัดไม่ว่าจะยูว่าได้เพราะว่มีปากนี่ท้องว่าจะกินกับ่มีกำลังสิ ระพูดัปที่บดิลหนักตังสมมติเดี๋ยวแดงบมนีสิเดินเ้ากล้กับบวไรสินางเพราะว่าหน้าเห่นมไม่ะหาเาะปากท้องมันหิวมันอินหลายตะวันบวมนี้อีกละมันไม่ใจกลัวงเห้าวนอนถ่วมมันจะตายแรงมันจะตายแค่เห็นมันพอดีเพราว่ามาที่ห้าปที่บัานหน้าแล้วพอดีก็ห้าป็นยังไหน มันท่านถึงจากห้ือไม่เข้ากินทางเดินยินงเป็นจามาติมาเฮ็ดขอดีเหลือนางภาวนาโดนแม่กบได้มันเจ็บแขงเจ็บขามันเัี่ยเป็นยังไงโดนโงโดนแม่กบได้มันเสียบมันเทียร์ใจกิเลสในใจมันเป็นยังไงล่ะมันตบออกไปเร่องออกไปบ่มาติมาของเฮ้าแต่มันโบจกบอลวนเฮ็ดว่าท่านถึงมันก่อเล่นเขาไปนักมือเขาไปให้มันถือมาติมาคือความเป็นต่าง มันบ <Contain ment. S 1> ่เก er. ี AS ่ยวของครับเขื่องกลางๆนั่นน่ะมันปล่อยมันว่างมันละมันคลอนความอยากอย่างนั่นความอยาบยางนี่บ่เป็นการมาสู้ขันเพื่อเอาความสุขให้เขื่อนคลองตามการกินกันนอนกันทำการควนกันสูดกันคุ้ยกันดูกันต้ม่ลงหอกถึงเี้ยข้ป่าถนะข้อชอบใจมันชื่อว่าการมาสุ้ขัน ในกานโย่ผู้ี่มุ่มุญบุญไหว้ว่าจะทนยิท่านใจของตัวให้ห่างให้จากเพงเรานี่เปนสาระขงกันกำม่ายสดแต่อยู่ในน้ำจุ่ม้ยางคนส่องไฟเป็นไปถูกันเท่าสีกันเท่าไดมันจะมาเกิดไฟให้เห็นว่าเอากีออกจาก เลื่อนจากเล้ามาบวชเป็น้าเป็นเน่อมตดีมากจังสิ้นแปดตัวดีพื่งนี้จากสามมาซุกสิ้นแปดสามมาซุกย่างไห้เท่าอาหารในเวลาวิการที่บูให้กินก่อนล่างรับหล่องจางางทสมบูรณ่ให้เหยดเองไม่ต่างผู้อื่นเหยียดไปหรอผู้อื่นเหยดที่รักที่นอนหอมหอมตางาเพื่อนใส่ละหาเวีนประหยัดใจกันไป ไปเิไป the ่นไปจิตไปขอนอกอากนั้นทีนางทีนอนสัญญาถือนุ่นหรือจำดี้ท่านก็บอกให้นงให้น้อนผู่หญิงแจกตามราคาผู้หญิงเอาไปได้เฉพาวันใหม่ผีตัดตนมันขาดแล้วสัญญามันยังมีอยู่จะให้เอาไปแช่น้ำไว้มันจะมีวัน แหงได้ที่มันบปแหงระยะนั่นมันก็รยะวันต่อไปมันก็คือแหงเพอาะฮัสตนมันออกลังนั่นเห็ะืงของผู้ออกจากตามพยายามออกนิดๆหน่อยๆอยู่ไปมันจะห้างไกไปคือแตเจ้าห้อยยางเนี่ยมันไปบ่วคือเ่ินคือรถ แต่เขาไมงานยางเอยไปมันจะไปที่เดินเฉยไปมันกี่ชุดซื้อไม้ปลายทางที่เข้ามุงไหวางไหวมันจะถึงได้เราเข้าไปวัยวัยโย่ต่มันสุขการกิการโยโย่เป็นเหลือสุขัดโมเมนตท่านที่จะไปดูความปวดทุก สอนไหวยางนั่นแต่กิเลสมาช้าเนยโยประกอบ้นเห็นเนื้อเงยเบาเบาว่เกิดประโยชน์อันใดนั่นแหละคือการบอกภาวนาการบอกกระจายิจของตัวนั่งเข่าเพื่อเสียงมันที้เหลีมันเบามันบางแ่หางว่าเลยที่เจาน่า่เลยซ้ำะใต้น่าเน่ยเดี๋ยวแตอกวเลี่ยงนอกขอบคมที กิเล่มันเียดมันแห่งมันรุดมันถอนออกไปจากใจสุนย่างใส้นอนบนน้านี่ยืน้าเดียวเค็ดไปกลางๆก็น่าด้วยสิหายกิเล่มันหมดตัหามันหมดจากใจแต่บริสุทธิ์ใจานําชายใจถ้านอนเคล็ดไปทอดมือตายก็บกเกิดประโยชน์เพ่ว่ามันเป็นโทษเป้าเพื่อว่าอากินิยาานโยกเป็นชางที่บทถูกต้อง มันถูกต้องหมายถหมความผาความเพี้ยนการกินแต่กินพประมาณเพราะเสน่มันเยู่ตาประมานตองเฮาประมาณเพาปันไดการเหาจับในโฉเฮาอีกกินหลายก็จะใจไหคิดใจมันเบาสบายไหมท้ามใจเหหรร่วมเหหรืลงได้ไหมสองสอบกินตีเจหน้ากินหน่อยมันเป็นยางได กินข้อดีมันเป็นอย่างไรเห็นมันข้อดีแล้วมันฝึกง่ายมันสบายบเบาเกินไปบ่มนักเกินไปอยู่ในมาติมาโคเซเน่มากันอยู่ตาบนโพเซเน่มาการทองแตกกินโรนี่วันโรนีเวล่าอยากยัมงได้ก็กินยั่งนั่นนั่นหละมันเสริมกิเลสปัญหาเหนบวกินเสล่มันจะตายเป็นจะงหกินเข้าประม่าน ปที่บ้นสี่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ทั้หมดเกือที่ทังวอนทังรวมตาหูจมูกินกายใจค่องตัวบหวยิ้มยิ้มยินมร่าไรไมเหมือตาย็นหูได้ยินมไ้พี่เจ้าน่ะใจเป็นกลางยังสิได้สิบไปบอกไปที่ดาวักแบบไปจิตจิาเขาจะไปจิลักหอบเขาแล้ววางใจของเราไว้ มือนยดีเหมือได้ยินก็ดีเมือด้กกกินเหีือรสจำพัดก็ดีเหมือหาระว้างช่างว่านย่างนันเป็นขางี่ปฏิบัติถูกคุ้มีเวงูกต้อมีมากต้อคผลมันดวันหนึ่งมันิจะงบหามันิละสีสอนหาเพราะเขาทถูกต้องามสพระพุทธเจ้าสอนเขานีมันเนยุตาสกินเฉประมาน แค่เนยโยกให้เป็นตัวเตลมอยู่เสมออย่าให้จิตมันลับมันหลงหายที่นี้พี่แจหนนะต้องเจ้าพื้นตัดทีื่อนนยาสอนนิวสอใจห้องตัวหม้อหายเมาหอยประมาทดูสิจิตนึกซึ่อมตัวถ้านอกเหนี่ยวเพื่นวันเป็นปฏิบัติถูกในคข้สอนข้าววุ้นเสเจ้าปฏิบัติไปไม่มีทางคิด นี่จะทั้งสุขทั้งศิลนัความสุขความสบายความสงบความละความถอนควายความบ้างควใจให้เกิดเห็นเต็มหูขึ้นการพุทธภาวนาเป็นว่ามีคุณคามีบุญหลายกะพิึกได้เว้มได้่วรสืบท่านเท่าก็เคยทากันมาใ้ปกเป็นื่อนพเาอยู่แล้วหรือทีว่า ปุ๋ยไก่เคยเคยทำมากเพราะประมาณการไหนท่านแต่ตามท่านหน้าหนาขี่ต้องเฮาเฮามีหน่อยไห่ตามหน่อยเฮามีมากไหญตามมากตามท่านะเฮามีหน่อยขี้ใหญหลายเรื่องไผ่บัได้เฮาโตหน่อยกินขีก่อนในที่ต่างมันก็บัได้ก่อนเล่นโตก็แค่นึ่งหนึ่คนลงโตนกหน่อยทำร่างพอตัวคนละเด็ดไปทำไปบประมาณขินเอากต่รักษา ่ามดับโอกาสเวล่าแล้วเป็นคาราวายางหน่อยดับเบียวยามราเอาไว้พรรษากรบใช้ใชในพรรษากรบอเจ็ดบวชถีำยังคว่ำสายมันไหลพม่าเรื่อยๆท่านผีนพาว่านเนผินวาวัดพระเจ้าก็จะ chuẩn bị ให้ละเีเป็นวัดของมนุษย์สองการความบริสุทธิ์องการความสุขในพกชาติต่อไปผู้ว่มี่จิงเลานี่แหละมอมีหวัง่ะ อยากไปเกิดเป็นมนุษย์อีกเด้อสันไห้หนามตาเป็นเลือดมันจะเกิดบ่วได้อยากไปเกิดเป็นเศษพระพุทธเศษพิดาเป็นหินเป็นพ่อมมันจะไปบ่วได้ยิงไปเป็นอรหัตอรหันคุยบ้าไป้ลยไม่รีบร้อออกวงเก็ยดอกจะตึ๊บมันจะยิงไกลไปหลายให้ัถ้าห้ามไฟพุชไฟเหมือนนั้นแน่เมื่อนี้แน่เจ็บเด็กประชมน้อยนั่นคอยรายขึ้นดอกคือสันตังนั้นจะท่องน่ะ มันสี่พ่อบาทพอลอยกบท่านพอมือเพอแกันใดันจะไปขากสตางเนี่ยแค่นันแน่แค่นี้แ่ขาดสตังนึงมันขาดบาทบาทนึงมันมีลอยกตังถ้ามขาตังนึงว่าเกา่ากรตังาดลอยบาทนึงเท่าก็บบริษัทว่ารอยทำนองเดียวกันสะสมอบรม ทำุณงานความดีมีการให้ทานมีการรักษาชี้นมีการเจริญเมตตาภาวนาเก็บมืัหนนี้เก็บมือนี้หน่อยนี่สันกระปวก้อนเจ็บก้นนนั่นจะขับเอามือหนนี้มือนี้แนบวันแน่บวันนี้แนบมาเรื่อยเมื่อก็โจกขึ้นถึงมันจะห่วงจะข้างข้องมันกับชือกันมันเอาเจี๊ยบซ้อนเราใหม่มาจากตนนั่นตนนี้หลายเจี๊ยหลายที่ข้องห้างไงห่วงไง หนูฟันต sure ่างมูลต่างกุศลมันจังไหวประมาทใน่ม <the> ูลกุศลคงตนในพรรษาสัสดีเนาะพัรษาสวัสดีเขาวันในพันษาเป็นเทศกาลเป็นเวลาสิกวนท่ามได้หยิบท่ามไปมันได้มันเย็นมันเย็นมันสงบเรี่องของคิตของใจเนาะพรรษากระโวยใจใสในพรรษากระโวยใจใสคนที่สุดหรืออะไรอันใดตายเบาๆเหมือนมันควนงหะ หาบุญหาผู้จนหาคนงามคนดีอันไหก็ว่ได้ยังคนชั่วผมหัวส่วนหัวยุบมันกินที่เส้นหน้าพอวันเดล่ามันกินซีดก็เข้าไปขึนเมเขามานั่งอีกตัดลายหน้าขี้ลายสวมงุเวกดดอแ่ไปน้าแชไปน้ามันแชก็อยู่องขึ้นองไฟหันเด้เอาวีบรอแต่เอาถ้าเอาก็ได้ แต่เรมันข่อยมันใส่ิดคัหน่อยนี่ได้สิด้ไปแยงไง่ายเละหยุบหาเอาซะว่าตันจะ้อ่นว่าสันสั้นดมันเหือแล้วมันหาว่าได้ตามันมองเห็นฮะเข่าหาคล้องไปสปปากไปคลองไปแย่ใไปง่ายเขาจะหาท่านน้องน่ะเขาหาบุญหาผูกสนก็ท่านน้องียกันแล้วหาเอาแต่ทำเอาท่านเขา ฮะยิ้มเข้ากับฮะพอน้าเขากับฮายราได้มันผิดได้เพื่อเป็นำไรของชีวิตแต่แบงหาฮเอาไว้ผมีบุญแล้วมันสมหวังมันเกิดอีกตายอีกแต่ว่ามีทรุเมีอมีลำบากลำข้ามเพราะบุญจุสุนเพิ่ม้นให้ มีความทุกขความสบายล่างกายต่วนี่โลกนี่ไพ่เบียดเบียนแต่จีบกันย่าตนสวลสัดฮงื้าท่วง้าเขาฮ้าวงตะของกอดเขียดได้ง่ายลดจังหวะร่งกายเยลแต่งงานบกีหยกดจีเรอํานาจบุญสสวนตล้องไหวทุกจิงทุกอย่างมันองบูร มันพร้อมสรบบถืส้นต้ไห้มันบม่เป็นสันว์นักเกิดเป็นมนุษย์เื่อกันแต่วันนี้พร้อมทุกไห้นี่เป็โลกแก้ไ้เบียดเบียนเขาขาดแรงแกงขาดมออพ่อปากพ่อท้องพ่ออยากพ่อกินส่วนฝูงนักโยอขวางพบหาสารา่อมแต่มีแต่ส่วนสิงกินตับกินไตส่วนเปเพส่อนที้มพวนี้ผู้ดีผู้ชอบให้ นี่ตังค์แกแมาเบียดแม่เดียนแม่น้ำควันทิพย์หายไรพวงบมมีพูได้ติน้ำจักค้มบานน้ำเศรษีปัญญาพิฆาตสมหัวแม่ไห่นี่คือคนที่อาทับวาสนาได้อันได้มากบักบัหม้ไห่บัวมีชกไก่ชกไก่ไห่ลูกบอกบ่วนองซ้อนบ่วได้เดีเนี้ยจ้ะเป็นเนี้ยคือเจ้าชู้ หาจะมาคมเลื่อยไปเป็นเูื่อใดก็บโมเลกนาเะว่าหัวพมหัวโตวหรือัวว่างๆสู้แอเนจนบานเป็นเมืองคิดเถียงกันปากเปียกอยู่ยาาห า, า, ากันตีกันยังไงเย อ, อะมากแหล่งมากนะมเป็นชาไหน่มากแต่ก็เลื้ยงหลาพุกหพวก มีเพื要要่อนอาทัยทับบุญสุดสมสบริสังสมเอาไว้ได้มากมนกเลยบ่สบบ่หายเป็นสางสมเอาไว้มีบุญมีสุดสมในายในใจมั้มีคพื่อนซุขแบบสมตากนณะถึงคนนั่นกี่เพื่อนเรือซ่าเรือซ่ามยอก็สบเขามาในว่องมือสองเท่าเกยอําำนาจบุญสุดสมสองเท่านี่เัาเป็นเพนดีกายเป็นเพื่อนดีเื่อนดีขา มาเป็นหัวของเห่าเป็นเนี่ยของเห่าเป็นลูกอเลยลานไข่ของเห่าเติบัดเป็นเส้นสยันช้านแข็งบ่อนว่านอนซ้อนว่ได้มาตกแต่เห่าภูมิเอวหนาบ้านชนานี่ได้เป็นคนยิ้คนดีว่านอนซ้อนง่ายงัวเป็นควายอยู่น้ำฝนอหนังสโควยูมันขาดเหมืนม่ายู่น้ำเหาเหมือนดังอ่อนอุ่นไหวยู แต่ตอนอยู่น้ิ้นเขาหัวเขาสวนเป็นจอมไม่ยูนน้าเขากันโมดูหัวดุ่สวนอันใดนี่เ่บุญญาชนะเท่านี้แต่จะทล um um ่องดีไาให้เข้าอย่างไดคล่อดีอยากมี้คล่องดียานั่นสั่งเอาความดีเอาไว้ในกายในใจของเข้าความดีถือเข้าสั่งไว้มันมาไปบนไดดอกอาคิตสายอสานเข้าคนจังววะให้ผู้ท่านดีไหวคว่ำดีสือขึ้น่อให้ผู้ท่านตัวไหวคว่ำหายขอบถึงคนละมันเขียนยังสั้น คือเรื่องบุญกรรมผู้ท่าไว้ผือท่าดีกับม้อนดีเลยละหลายที่เขามาก้อนฟูกความสบายแก่กายแก่ใจผู้ท่านตัวกับความตัวฮะล่ะปริมาตท่านลาดได้เนได้มากสมบูรณ์ป่านณะหายยื้อน้ำพนก็ยังยิบยังดีบ่รทัตบมาตัวตัวแบเป็นเทศเป็นผีโมนีนาดีเนาะ สอบให้นี่คือคนอาอาบาดกันนะบ่มีลากนะได้อันน้มากคบ่สวบังแต่บ่สวมบังก็แล้วเป็นทุกข์เข้าเป็นอุเป็นทุกข์นันขนาดโมดีอันนี้คือบ่งายเัยบ่อยากได้มันสั่นได้ไหมบ่อยากได้มันคือบ่เกิดสิ่งถ้านังนั่นมันเป็นทุกข์ท้องใจทุกข์เกทุกข์เกาะคนบ่สวมบังแต่บ่สวบังมันจะเป็นทุบมันจะสบาย เด็กความสมบังิอย่างนี้ความสมบัตใ่สั่งความสมบังให้แก่ตัวทําอไรให้ทําดีพูดไให้พูดดีคิดไรให้คิดดีท่านดีพูดดีคิดดีความดีทั้งสามอย่างมันสิมาประกอบเท่านี่กายกดีนี่ร่างกายใดีนี่ใจกสดีมันได้ดี ใช้กระตาาา่ายชนะใช้กระยากได้เห็นกับนี่ผู้เหลื่อนใช้กับข้าเขาเข้าดีเข้าบ่ดีเอมขี่มันยัางโเหมิ่นกันข้นเน่าข้นหมินได้คนตัวได้คือว่าข้นข้างข้นขี่ล่าย์เนียนหลา ย, นะลลายทางข้นล่มทางใก่ล่มโบมีผู้อยากโดมอยากไก่หรอขอคนบ่ดีก็หมดเป็นทา นีผู้ได้อยาได้วันนี้นี่ผู้ได้อยากปรารถนาเคลื่อนขี่หหลีบไปทั้งเนื้อล้มนันกับว่มันมาเส่ดังห้าดอกตัวขวเสียมันมันอยู่ในบันในเฮียนกเบมันตัวบันตัวเฮี้ยนัวเพื่อนบัานพอเมทีนออกเื่อนฝูงเขาบวชตัวบวเสียเขาก็ว่าบ้านบางนั่นตัวบ้านต้นตัวตัวบันอันนี้บั่นนักเลงตัวบันตัวบ่นนันตัวบันขี่เราขี่กันซ่าเจ้าหัว กันเป็นะขี่ไปนัดพอาวเหานาห้าเหม็นข้ า, าเป็นขีขขขด่มุ้ยขีดซาขีดอกขีดไผ่ันเป็นต้องดีต้องดีไผ่นะครับาระวงรักษาสอนจิตสอนใจในภนษา เศสการสผ่าพันษาเฮาเสียอธิษฐานยังไรเอาไว้เศ่ท่านเปนนิดบอกฤทธิ์ิลักตาศีนหาเปมนิดหรือ์ีิลักาอัวสดในวันอัวสดให้ขาดหรือตีิวายขาส่วนม่อนวอยขาดฤทขิ์บ่ายขาดเฮ็ดไข่ด่ายปวยเพราะเฮ็ดด่ายท่ำด่ายอธิษฐานเอาไว้เสแล้วเหมืออธิษฐานอะไรเหรเฮ็ดนั่ท่ำอธิษฐานทองตัว ยาเสียวเมื่อเขียนตินลบมันมองงามเขาฟุเา ด, ด, ดัดในใจของเข้าใจในทางดีดมันก็ดีไปได้พอคนมันฟึกได้มันหาดไ ด, มไ ด, ได้มั น, ด, น ด, ดัดได้พยายามดัดต้องฝึกสอนจากของไปยาเสี่สวนน ย, ยว้วันยาลาทานไปนเ่าเล่าเป็นโมคาเป็นหมัน ย้กถ้ำแก่ไปเขาท้ำไปไหว้พระสวนมณ์เดินตรงกลมพาะวันน่ะเป็นประจําบ้านเข้ากับบริเตํมนี้เข้าวะเหมืนั้นขาดนั้นมือนี่ขาดอันนี้แต่ถ้ำควดีตเมวันละว่างใจเป็นบุญเปนสุขสวนถ้ำหายใจพ้องตนอยากเย็นถ้ำหายใจพ้องตนรุกสบายบร้เต็มแอันใดไหวจัะ ใจจัี่สิตายมากข้างยืนเ่อยุคเย้ไงสุดสุนบนมีวันสุงวันอาศัยจัดเป็นยังไตายไปแค่ท่ห้าเขาบุญสุสยังไม่เลยก็เลยส้างไปหล่อนตายไปจัดพี่ไปสุนไปอาศัยเองเขาเลยสั่งผู้งานพร้มดีเลตายไปเัาช่ใจดอเขาเลยสง บานตางเงีนยแบ่ใหญ่โตแล้วเอาทีนี้จะล้างอีกไปก่นสิไปยุล้างนั่นแหละล้างทางไหวมันจะบอกคกบัร้อนเอ้าเจ็ทางเจ็นหน้าไหวเข่าเต้มเต้มหน้ากับชื่อกันบุคคลบ้านศิวติยาก็มั่นมีเข่ามีหน้าหนึ่งในสามเท่ากว่ามีอยู่ในช่งนหน้าเทากวมีนี่เท่าวได้เฮดอะไรถ้าบันไรไหวเขายุ หมอย so ู่ไฮกันว่าอยู่เหล่ากับโบมีอยู่ให้อยู่หน้าก็ว่าเดือักเลยดังแคไพี่ปถึงไปฆ่าไปอาศัยอันใดแล้วปีหนาอย่างนี้ผิดทุกอย่างตักแห่งจังใดเข้ากันจิบว่าหูจักได้เข้าควเข้าโบมี่มีช่องสีไปแหลกไปเปียนเข้บมีอีกแค่คิได้ฟอสที่ฟ้อน้องฟอสบาดฟอลูกท่านใดคนจะเสียหายมันจะจิตปลุกใจหอนใจเพราะโบมี่ไว้ แถนมีใบทานเทาก็มีใบหินเทาก็มีใวเพราะวหน้าเาก็มีใบวันซื่อานใปเทาไสังควดีเอาไว้ใจเข้าถูกใจเข้าสบายแล้วลืกมือถึงการได้เวลาไดใจเบิกบานใจบิกบานบร้อนเปนยังให้เห็ให้ท่คิดใหนึเอาไว้ความดีเปี่ยมเลยว่าเขายังหน่อยยังเงินเขายังจะน้องท่านจากคม ่วนความตายเห็นเหมือนไดก็ได้เนาะอย่าไปคิดข้างนางนั่นขาความตายมันมีส่วหมายเจะเหมือนได้มันติดใจรู้กันสอนกันนั่งน่กันคุ้ยกันย่างนี้เศ้ามาตายไปแล้วก็มี้แล้วคนมันติดไปข้างนานั่นมันใจง่ายเพราะวันล่มมันกตายคเถ่าวันล่มเขาบอว่าตายคุณองค์วัน่มเขาบกว่าตายได้หน่อยวันล่มเขาบอว่าตาย ที่ต้มข้ามันแค่ร่มเข่าร่มออกเท่านั้นไม่ยุดไ่เหย้าอีหยังกันหอกบอกว่าเข่ามันกระจายเขามันออกมันกระจายอยู่ห่างเห็นชีวิตมันสั่นย่างนั่นจร่งไรมันถืเป็นดาราสำคัญสิเกิดบุนเกิดสุขเกิดผลประโยชน์ดีเด่นท่านบอกเสร็แล้วไปเกิดไปเพื่อนไปมมกไหล่เมาเกินไปไอ้ยามความสงบสงัดของสีตของใจ วันพาวันเจ่าว่าโวไม่หลุกไม่ล้านวยุ่เหนงหุ่นไหเอียงอยู่ถึงวังดแต่ถ้าการสงบที่สงบใจมันอยู่มันสงบความสงบถึงขั้นใจมันหลุดไม่หวุดมันสว่างไว้ดอคิดว่าเอาอาภัาวนะเกิดมมาก ถึงบนทันมา่อคุณไปเท้าทำคำสอนเพื่นอย่างนี้อยู่ข้งยังนี้คิดผิดต่อเพื่อปฏิบัติเอาได้เป็นคนหมดหวัง